ช่วงนี้พระวัดเราเยอะนะไม่ต้องนั่งเบ็ดขึ้นมาไหนกางนั้นจะตกแล้วไม่พอนั่งไม่ใช่ไมไม่ต้องวันนี้หมายถึงวันต่อไปจะนั่งห่างอย่างนั้นข้างหลังตกอาสนะ คุณแม่ข้ามาได้ <c oughs> อาสนะนี้นั่งได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่องค์เต็มเรามีไม่ถึงเป็นช่องว่าง แ ล, แล้วลดลงได้ปีนี้พระมาบวชเยอะไม่ใช่พระมาบวชพระบวชแล้วมาเยอะมาบวชที่นี่ไม่ได้ไม่มีอุปชาคนสมัครบวชมี เยอะเกินกุติที่จริงมาสมัครเนี่ยหลวงพ่อดูนะต้องดูตั้งแต่แรกเลยมีมาตรฐานอย่างถ้าสมัครบวชเดือนหนึ่งเนี่ยมาตรฐานต่บไม่ค่อยจูจี้ถ้าอยู่นานๆเนี่ยต้องดูเยอะหน่อย นม่ใส่คนนะพอเปลี่ยนที่ใหม่ๆอย่างเรียบร้อยพออยู่นานๆแล้วตัวจริงออกก็เราต้องรีบดูตัวจริงไว้ก่อนบางคนก็ไม่ได้ให้อยู่ตัวงโงเฮงแล้วถ้าอยู่แล้วมีเรื่องกับคนอื่นหรืออยู่แล้วทำให้คนอื่นเครียดเนี่ยพไม่ออกบางคนเขาก็ดีของเขานะแต่ใครเข้าใกล้แล้วเครียดหมดเลย ตัวเองไม่เครียดอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ไม่เอาข้าหมู่ไม่ได้ชีวิตพระเป็นสังคมรวมหมู่มีนา น, านเจอทีนึงเต็จเข้ากับใครไม่ได้เลย <c oughs> พระเล่นมือถืออะไรเงี้ย น, นะติดเล่นมือถือหรือพ่าไม่เอา ภาวนานไม่ขึ้นเสียเวลาเสียแรงสอนเมื่อก่อนก็มีพระพันตุกกลับเล่นเฟซบุ๊กเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเทศเทสอยู่นะมันสะเทือนใจเรานชอบเล่นเฟซบุ๊กไปจวก็ให้นะเปสารภาพเลนอนจริงจริงมีเฟซบุ๊ก ต้องคอยโพสอสื่เรื่อยๆอยากได้มกผลนิพพานหรือว่าอยากมีเพื่อนเล่นต้องเลือกเอานะอยากได้มาผลนิพพานต้องตั้งใจจริงเรียนรู้ตัวเองให้มากไม่ใช่เอาเวลาไปยุ่งกับคนอื่นหลวงพ่อนะนิสัยได้แต่เป็นโยมแล้วไม่ชอบยุ่งกับคนคบกับคน ตามความจําเป็นเรียนหนังสือจบแล้วหรือจบมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยไม่เคยกระทั่งไปงานชุมนุมสิทธ์เก่าไม่เคยเลยนะสิทธ์เก่าสิทธ์เก่าอะไรเราสิทธ์ปัจจุบันเราปัจจุบันนะเก่าแล้วไม่เอาไปแล้วไม่เห็นมีอะไร ไ, ไปนั่งกินเหล้าไปนั่งคุย เสียเวลาไปคืนหนึ่งไร้สาระเงั้นหลวงพ่อไม่ไม่เอาเลยเวลาหนึ่งวันเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเสียไปวันหนึ่งแล้วเฮาเอ า, อ, าอีกวันอีกยังฟุ้งไม่หายเลยปีหนึ่งมีกี่วันหมดไปทีหนึ่งไม่ใช่น้อยนอยเสียเปล่าเปล่างั้นหลวงพ่อพอนาตั้งแต่เป็นโยม พนันาจริงจังแต่ไม่สี่เรียดอย่างไปทำงานกลับมาเนี้ยงานที่ทำเนี้ยต้องใช้ความคิดเยอะงานมันเครียดงานมันเครียดนะแต่ว่าพอเราเลิกงานแล้วเราไม่เครียดวันไหนที่ใจมันล้ามากๆนะแวะซื้อนั่งสือการ์ตูนมาอา่านการ์ตูนเด็กนะไม่ใช่การ์ตูนญี่ปุ่นนะการ์ตูนเด็ก การะตูนฆาบกันกระตูนปล้ำกันอะไรเงี้ยแมวต้องประเภทใสๆซื่อๆต้องอ่านกระตูนอ่านกระตูนเสร็จแล้วบาทีนอนเลยกลางคืนตื่นขึ้นมาใจสบายแนละ้วเอานาตื่นขึ้นมาป้นนาต่อ ช่วงไหนที่จิตเรามีแรงเราต้องดูตัวเองในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาที่จิตมีกำลังช่วงนั้นอย่ยเอาไปทิ้งรีบเจริญสติเรียนรู้ลงไป <c oughs> อย่างหลวงพ่อนะสังเกตตัวเองมาตั้งนานแนละ้วตอนสี่มงเย็นเนี้ยจิตจะสบายมากเอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนหนังสือใช่ไหเลิกเรียนแล้ว จิตมันผ่อนคลายจิตผ่อนคลายมีเวลาที่จะดูตัวเองได้ดีที่ทํางานเลิกสี่โมงครึง่งสี่มงเย็นใกล้จะเลิกงานแล้วจิตเริ่มผ่อนคลายแล้วแล้วสังเกตดูช่วงนี้เราภาวนาได้ดีช่วงนี้เราไม่ทิ้งเปล่าๆงั้นพอเลิกงานเนี่ยนะรู้สึกตัวตลอดเลย ทำงานเสร็จแล้วรู้สึกตัวตลอดกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าอะไรนะแล้วก็จะเหนื่อยอยู่ช่วงหนึ่งกันเหนื่อยเราก็พักพักแล้วพอมีแรงเราภาวนานต่อหลวงพ่อจะภาวนาเก่งตอนเป็นโยมนะภาวนาเก่งตอนสี่มงเย็นแต่ตอนกลางคืนดึกๆตีหนึ่งตีสองตีสามอะไร ช่วงนี้เราดูตัวเอ ง, ต, เองตัวเนี้ยราวนาดีเราก็เอาตัวเนี้ยเล่นบ่อยๆไป <c oughs> เจอคุณแม่จันดีแม่จันดีถามอาจารย์ได้ของดีตอนเย็นเย็นใช่ไหมล่นะ <c oughs> แม่จันดีถามเรารู้สึกน่ากลัวจังเราก็หาเรื่องเถียงบายแก่ๆ แ, แม่ไม่ถึงเย็น เย็นของเราต้อง 5, ห้าหกโมงแล้วต้องดูตัวเองช่วงไหนเหมาะนะกับการภาวนาตลงพ่อภาวนาได้ดีๆเนะี่ยได้ผลอะไรที่ชื่นอกชื่นใจในการภาวนานะส่วนมากช่วงบ่ายๆแต่ไม่ใช่บ่ายโมงบ่ายโมงเป็นเวลากับ ป, ปลบกับเรีย แล้วบางคนชอบนิมนเทศตอนบ่ายโมงไม่มีใครสั่งสอนเนี่ยบ่ายโมงนะคนฟังเขไม่ไหวคนเทศก็เหนื่อยทำไมคนเทศเหนื่อยเพราะคนฟังมันจะหลับมันกดมากเลยนะพลังงานในห้องประชุมตอนบ่ายโมงนี่มันจะกดอย่างแรงเลยเพราะทุกคน ใ, นใกล้สลบแล้วนะเราต้อง คนเดียวสู้กับคนห้าร้อยคนอะไรเงี้ยพันคนโอไม่ใช่เรื่องง่ายนะกินแรงมากงเวลาเทศนะถ้าเราหลวงพ่อเลือกได้หลวงพ่อเทศเช้าเช้าเช้าเช้าดีาายังไงเพราะเรายังตื่นอยู่เวลาที่ดีที่สุดในการเรียนธรรมะช่วงที่เพิ่งตื่นนอนมาไม่นานนักนะอย่างพวกเราเนี่ยตอนเนี้ตื่นนอนได้ไม่นานมาก สังเกตไมธรรมะช่วงเช้ากับช่วงสายเชื่อไม่เหมือนกันช่วงเช้าจะเป็นธรรมะที่ประณีตกว่าดูออกไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อออกจากโรงาบานใหม่ๆ <c oughs> เริ่มเทศเก้าโมงธรรมะนี่ดรอปมากเลยไม่ใช่ว่าธรรมะเราไม่มีหายไปจากใจเราไม่หายแต่คนฟังไม่พร้อมคนฟังรอบสายเนี่ย ต้องการนิยายมากกว่าตอนเช้าตอนเช้าฟังสาระได้ช่วงสายเนี่ยต้องมีลูกเล่นมากรู้สึกตัวไหมเพราะแต่ละเวลาเราจิตเราไม่เหมือนกันหรอกแต่เวลาแต่ละเวลาไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติไม่เท่ากันหรอกแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกัน ยกเว้นที่มีผลกระทบทางฟิสิกส์อนะอย่างกินข้าวใหม่ๆกินข้าวใหม่ๆฟังทำยากมันยะ ง, ง่วงเลือดมันไปอยู่ที่กระเาพาะหมดมันไม่ขึ้นสมองสมองเราก็เข้าสู่สภาวะสุญญาตาว่างเปล่า <c oughs> หัวว่างๆเคลิมๆไป <c oughs> ดูตัวเองนะเวลาช่วงไหน เหมาะก ก, ก, การภาวนาก็พยายามภาวนาช่วงนั้นแหละแต่จําเป็นช่วงนี้ต้องทํางานอันนี้ก็ยกเว้นมันเป็นวัยทํางานก็ต้องทํางานแต่ถ้าภาวนาเป็นอเราพบว่าการภาวนาเนี้ยไม่เบียดบังเวลาทํางานไม่เบียดบังเวลาใช้ชีวิตที่ไม่ผิดศีลถ้าใช้ชีวิตผิดศีลเนี้ยภาวนาไม่ได้อย่างเราขายของ เราเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าขายของเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยดีกว่าพวกเขียนซอฟต์แวร์พวกอะไรพวกนี้นะพวกนี้ต้องหมกมุ่นอยู่กับงานสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานล้วนๆเลยเงินเดือนเขาเยะเขาเสียสละชีวิตของเขาตายเปล่าไปช่วงหนึ่งนะของเราไม่รวยขายของก็กแก๊แกๆอะไราองเรานะเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยกำไรกว่านะ ถ้าจะพูดถึงการที่จะพัรู้ธรรมหลวงพ่อเคยเจอแม่ค้าที่สุรินทร์นะแม่ค้าขายผักที่ใไอซ์เกียวขายผักนะั้นเราเดินผ่านนี่เราต้องวับอย่างดีเลยนะใสสว่างใสสว่างมากเลยขายผักเกี่ยวผักเกี่ยวใช่ไมเมืองสุรินทร์มันร้อนนะ <c ười> ขายผักไปสายๆหน่อยผักเริ่มเกี่ยวแล้วเอาน้ำปลอมๆนั่ง ขายได้ขายไม่ได้นะใจเนี้ยสว่างกาไรกําไรชีวิตละไม่ใช่กําไรเงินนะกําไรชีวิตบางคนอยากได้กําไรก็ซื้อกําไรมาใส่ของวัดไหนใส่แล้วจะรวยซื้อของวัดไหนวัดนั้นรวย <laughs> <laughs> ไอ้คนใส่ขี้เกียจทํามาหากินใส่กําไรไงก็ไม่รวยหรอกยิ่งเงา ไม่มีเหตุผลใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลนะแล้วก็จเจริญสติในชีวิตธรรมดานี่ให้มากที่สุดนี่คืองานที่แท้จริงในชีวิตเรางานที่จะติดตัวเราจริงๆส่วนการทำมาหากินนะแค่พออยู่พอกินได้ก็พอใจละเผื่อสำหรับตอนที่ทำงานไม่ไหวหน่อยหนึ่ง เกือเอาไว้หน่อยมองอนาคตหน่อยต้องทาแล้วพออยู่ได้มีชีวิตที่อยู่ได้นะใช้เวลาภาวนาให้เยอะๆอาจจะไม่ต้องรวยมากนะแต่สภาวะทางจิตเรามีความสุขไม่ต้องรวยเหมือนคนอื่นคนรวยมากๆไม่ได้มีความสุขคนรวยมากๆแล้วดำรงชีวิตเป็น มีไม่กี่คนมีอยู่คนหนึ่งเองเก่งนะไอ้ T K ที่ทํแอปเปิลอะชื่อเลยเออไอจอบไอจอบไอบจอบเลยนั่นและนะ <c oughs> มันดำรงชีวิตดีนะคนนั้นค่อนข้างเป็นเซนเลยมีลูกเนี่ยไม่ให้เล่นไอแพดไอโฟนลูกมันเองไม่ให้เล่นนะให้ลูกคนอื่นเล่น โลกตัวเองเรียนประวัติศาสตร์ศิละปะเรียนอะไรเนี้ยที่จะพัฒนาคุณภาพทางใจเส่ยังเดียวยังไม่เข้าถึงธรรมะแท้ๆอย่างนี้ฉลาดคนฉลาดอย่างนี้มีไม่มากรู้จักว่าอะไรมีคุณค่ากับชีวิตอย่างแท้จริงคนรวยๆจำนวนมากไม่มีความสุขเพราะพวกนี้จนตลอดเลย มีเงินทั้งหมื่นล้านอย่างจนเลยใช่ ย, ยังไม่หาหิวของเรามีเงินใช้ไม่อดข้าวเราอิ่มใจแล้วมีเวลาที่จะพัฒนาใจของเรารู้ว่าอะไรเป็นของที่มีคุณค่าในชีวิตที่แท้จริงอะไรเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกชั่วครั้งชั่วคราวทรัพย์สมบัติเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรนี้ เป็นของอาศัยอยู่กับโลกชั่วครั้งชั่วคราวต้องอาศัยไม่ใช่ว่าทิ้งนะใช่ภาวนาแล้วทิ้งงานทางโลกไม่ทําอดตายอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้ไม่ใช่มุ่งจะรวยอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความสุขใช้ไม่ได้ชีวิตตายเปล่าๆแต่ละวันถ้าเรามีชีวิตแต่ละวันนะให้มีคุณค่ามากที่สุดมีสติไป มีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูเขาทำงานไปเรื่อยๆชีวิตจะมีคุณค่าการรู้กายไม่ยากอะไรทุกคนรู้ได้อยู่แล้วอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้นั่งต้องคิดไหมว่าทำยังไงจะรู้ว่านั่งเห็นต้องคิดเลยก็นั่งอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่รู้แะ้วก็เพี้ยนเล่ะเห็นไมยิ้มซิรู้ไหมร่างกายยิ้ม พยักหน้านะรู้ไหมร่างกายพยักหน้ามันรู้ได้อยู่แล้วอะ่ะต้องมานยาจะรู้ยังไงดีนะจะพยักหน้าเอาละเอาท่านี้ละยิม้มไม่ได้เรื่องเลยตัวอะไรหัวล้อมเนี่ยรู้สึกร่างกายแนละ้วมันง่ายขนาดนี้มันยากเพราะเราคิดมากทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้ว หายใจออกรู้สึกได้ไหมหายใจเข้ารู้สึกได้ไหมแล้วทำไมไม่รู้สึกเพราะละเลยที่จะรู้สึกเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้กายหรือรู้ใจตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้ได้ทุกคนแต่ละเลยที่จะรู้สึกเพราะไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นของสำคัญอย่างใจเรามีความสุขหรือใจเรามีความทุกข์เนี่ยดูออกไหมต้องคิดไหมตอนนี้สุขหรือทุกข์ตอ น, นี้ฟงซ่าน ในโครงสร้างเนี่ยการรู้โลกปัจจุบันนะ่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้ได้อยู่แล้วจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์ก็รู้ได้ที่นี่ละเลยที่จะรู้เวลามีความสุขนะจะไปสนใจสิ่งที่ทําให้มีความสุขเวลามีความทุกข์ก็ไปสนใจสิ่งที่ทําให้มีความทุกข์เวลาโกรธแทนที่จะรู้ว่ากําลังโกรธก็ไปสนใจสิ่งที่ทําให้โกรธอย่างคนมาขับรถปาดหน้าเราเราโกรธ เราแทนที่จะดูว่าจิตกําลังโกรธเราไปดูไอ้คนที่ขับรถปาดหน้าเราไม่้เราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองการรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทําได้อยู่แล้วนะที่ผ่านมาทําไมไม่บรรู้มรรคผลเพราะล้าเลยที่จะรู้สึกถ้าเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจได้เราจะเห็นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุ มีธาตุไหลเข้าไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจ อ, ออกกินอาหารแล้วขับถ่ายอะไรเงี้ยเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองจิตใจเป็นของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปดมกลิ่นจิตจิตที่ไปรู้รสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดล้แต่ไม่เที่ยง และจิตทั้งหลายเป็นอนัตตาเราไม่ได้สั่งให้สุขมันสุขได้เองสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็ไม่ห้ามมันไม่ได้เวลาจะทุกข์ห้ามมันไม่ให้ทุกข์ก็ก ห, กก <c oughs> ห้ามไม่ได้เวลามันจะโกรธจะรลบจะหลงไปห้ามมันอย่าโกรธอย่าโลบอย่าหลงก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะดู ก, กายเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือทุกข์กายมีทุกข์เยอะ ก็นัตตาในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุดูจิตใจจะเห็นความไม่เที่ยงง่ายเพราะว่าจิตใจนี่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วร่างกายเปลี่ยนช้ากว่าจิตะร่างกายเปลี่ยนช้ากว่าจิตเพราะงั้นจะไปดูอนิจจังที่กายเนี่ยใช้เวลานานใช้เวลานานแต่ตัวอนิจจังที่จิตเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างประเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็เฉยเฉยรู้สึกไหมแค่จิตมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มีต า, ตาหูจมูกเลินกายใจกระทบอารมณ์ทีไรจิตเปลี่ยนทุกทีเลยค่อยๆดูไป mm. แล้วเรากระทบอารมณ์ตลอดเวลาจิตก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบางทีแค่คิดขึ้นมาจิตก็เปลี่ยนแล้ว mm. คิดถึงคนนี้มีความสุขคิดถึงคนนี้มีความทุกข์อะไรจิตเปลี่ยน mm. นี่มันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนได้เองอันนี้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับ mm. อย่างกายเนี่ยถ้าเราบอก ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบางทีก็บังคับได้เนีย่ยสั่งให้ยกมือเขายกใช่ไหมกายเป็นเส่นไยพระจิตสั่งงั้นกายเนี่ยดูความเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นก้อนธาตุมันเป็นวัตถุแต่จิตเนี่ยดูในแง่ที่ว่ามันบังคับไม่ได้จะไปดูจิตในแง่เป็นวัตถุดูไม่ได้เพราะไม่ใช่วัตถุงั้นอนัตตาเนี่ยมีหลายแงย่หลายมุมนถะ้าเลือกดูให้ถูกมุมแลมันดูรู้เรื่องดูผิด ม, มุมดูไม่รู้เรื่อง ม, มุม เจะดูว่าจิตเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกฟังแล้วงงเพราะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุเป็นนมานมธรรมนามธรรมรู้ด้วยความรู้สึกเพาไหวไหมรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยาก ท, ที่ไม่เห็นเพราะละเลยไม่ยอมรู้สึกถ้ารู้สึกบ่อยๆแล้วจะเห็นร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุ ยิบโลกมาใช้เดี๋ยวก็ต้องคืนจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้ mm hmm. เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยจะเห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นตามความเป็นจริงชึงเบื่อหน่ายใจจะเบื่อหน่ายเรียกว่ามีนิพพิทาพรเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเรียกว่าวิราคะมีนิพพิทามีวิราคะต่อไปก็เข้าถึงมรรคผลนะ มีนิโรธนนิโรธแล้วครข้งสุดท้ายเลยจิตสลัดคืนรูปนามให้โลกเรียกปฏินินสักขะเนี่ยในปริยัติมีนะแต่เรียนปริยัติแล้วไม่เคยเห็นสภาวะเนี่ยไม่รู้เรื่องไนดะ้ แ, แต่ท่องเอาไว้ท่องไว้พอแก่สมองเสื่อมก็จําไม่ได้นะมันไม่เหมือนเราภาวนาเราเราเห็นจริงจริงเราเห็นจริงจริงอย่างเราไปอ่านหนังสือ เรื่องสัตว์ต่างๆอย่างเราไปอ่านหนังสือคู่มือดูนกเนี้ยไปเจอนกจริงๆดูไม่รู้เรื่องนะเราท่องชื่อนกได้หมดเลยนกตัวนี้อยู่แถวนี้อย่างนี้ท่องได้ท่องได้ไปเจอนกจริงๆแล้วงงเพราะลูกนกกับแม่นกอ่ะสีก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เหมือนกันเสียงก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปดูตําลาเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้หรอก ดูนกจริงๆที่ว่าเดินสองกล้องไปเรื่อยรู้จักนกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรบางของตัวนกตัวนี้เราไปเจอตอนเรากำลังสุดโส ม, มากหลงป่าเดินหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอนะแต่ไม่ถึงขนาดจะตายแบบพระที่เล่าให้ฟัง <c oughs> ไี่เจอนกตัวนี้สวยไม่รู้ว่านกอะไรเลยตั้งชื่อว่านกโกโลโกโสมีนะชื่อนกโกโลโกโส ที่จะพิไวไวจากไห ม, มนกโกโลกโกโม่ชื่ออบัญญัติขึ้นมา เ, นเวลาเราเป็นนับปฏิบัตินะเราเห็นสภาวะของจริงแต่เราไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักบัญญัติเขาเรียนปริยัติเขารู้บัญญัติแต่เขาไม่เคยเห็นของจริงมันจะ ด, ดีกันคนละด้านถ้าภาวนาแล้วไปเรียนปริยัติสหน่อยนะทวนดูจะเข้าใจเยอะขึ้น ปริยัติมีประโยชน์นะถ้าทุกคนเอาแต่ปฏิบัติแล้วทิ้งปริยัตเลยสุดท้ายจะตีนตายเพราะว่าปัญญัติไม่เหมือนกันสำนักนี้เรียกอย่างนี้สำนักนี้เรียกอย่างนี้อย่าว่าแต่คนละสำนักในยสำนักเดียวกันยังเรียกไม่เหมือนกันอย่างสายหลวงปู่มั่นนะหลวงตามหาบัวท่านเรียกจิตพระอรหันต์เนี่ยนะเรียกว่าวิญญาณธ า, าตุวิญญาณเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าธรรมธาตุ สมเด็จพ ย, ายาัญชนะวรนท่าเรียกวิญญาณธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งแค่นี้ลูกสิกษยกติกันแล้วเพราะว่าสื่อกันไม่รู้เรื่องถ้ารู้ปริยัติรู้ว่าเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าคืออะไรงั้นตริยัติก็จําเป็นนะถ้าไม่มีปริยัติพระาศาสนาจะดารงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติพระาศาสนาจะอยู่ในตู้เพราะว่าอ่านได้แต่ไม่รู้เรื่อง เงินตีทั้งคู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันประคับประคองรักษาศาสนาได้รู้สึกตัวบางคนก็ถามตัวอะไรให้รู้สึกตัวจะให้ผมรู้สึกตรงไหนอะไรเรียกว่าตัวเนี่ยพวกเนี่ยภาวนายากพวกกลัวใต้ตกตอนนี้รู้สึกไ้ยมันยิ้มมันหัวเราะเนี่ยรู้สึก ยากอะไรต่แตกส่งกันบ้านสงสาร <c oughs> พวกอยู่วัดเครียดมานานนะ <c oughs> ไม่ไม่ส่งลงภาพตรวจให้เองสองคนเนี่ยนะเ <c oughs> วลานั่งสมาธิอย่าเพ่งแรง <c oughs> <c oughs> วันนี้มันฉืนเว <c oughs> ลาฉืนๆถูกลมเป่าเสียหนหายยังบังคับจิตอยู่นะผู้เนี้ยดูออกไหมนั่งให้หลวงพ่อดู <c oughs> คุณผู้หญิงอ่ะรู้สึกไหมตอนนี้มันนั่งอยู่แล้วบอกหลวงพ่อบอกนั่งให้หลวงพ่อดูทําไมต้องเปลี่ยนท่านั่งอ่ะ <c oughs> มันนั่งอยู่แล้วนึกออกไหม แล้วเราจะทำกรรมฐานอะไรเราก็จะรู้ลมหายใจเราก็หายใจอยู่แล้วจิตเราเป็นคนรู้มันก็รู้อยู่แล้วงั้นเราไม่เปลี่ยนแปลงอยากรู้ว่าเราจะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมันหายใจอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่งก็รู้สึกได้ถ้าเปลี่ยนท่านั่งเย้พอนั่งบังคับตัวเองได้ที่ก็จะบังคับใจบังคับกายก่อนแล้วจะบังคับใจให้นิ่ง ยังขณะ น, นี้สองคนนี้ใจผิดธรรมชาติแล้วรู้สึกไหมมันแข็งผิดธรรมชาติมันผิดตรงนี้งั้นนั่งยาวนานนะ <c oughs> นั่งทําผิดอยู่ปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ดูรรมัานอะไรของเราก็ดูไปด้วยจิตใจที่ธรรมดาแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็สบายเดี๋ยวจิตก็ตึงนะ เดี๋ยวจีก็แน่นแน่นเดี๋ยวก็โปร่งอะไรเงี้ยดูไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราจเจริญปัญญาได้แล้วนี่อยากไม่ถามตอบซะเลยต่อไปใครจำเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หกสิบสามเบอร์สามสิบสี่สามสิบแปดสามสิบสองสามสิบหกยี่สิบห้าสามสิบอ่ะหมดละ เมื่อไหร่จะเลิกถามนาะหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อเคยพึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะเจ็ดครั้งแต่ว่าบางครั้งไม่ได้ถามบางครั้งไม่ได้ถามงั้นจริงๆถามครูบาอาจารย์ไม่ถึงเจ็ดครั้งเอาเบอร์หนึ่งสวัสดีครับหลวงพ่อครับอ้าว พูดไทยได้ครับเพราะที่ผมฟังซีดีหลวงพ่อมาสิบปีวันนี้มาส่งกันบ้านครั้งแรกครับตอนแรกว่าจะมาส่งหลายครั้งแล้วแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นมาเองก็เลยรู้คำตอบแล้วก็ฟังจาก เ, เวลาคนอื่นมาส่งกันบ้านเนี่ยก็ก็รู้ได้ครับได้แต่วันนี้เนี่ยที่มาส่งกันบ้านเพราะว่าติดปัญหานิดหน่อยครับคื อ, อ, อล่าสุดนเนี่ยปฏิบัต ส่วนใหญ่จะปฏิบัติตอนขับรถนะครับอืมขับรถไปเนี่ยตั้งใจขับรถจิตจะเพ่งไว้ก็เลยเพ่งขึ้นไปอีกโดยภาวนาพุทโธพุทโธรัวรั ว, วอยู่ในใจครับเวลามือขยับเลี้ยวรถเปลี่ยนเกียร์เท้าเหยียบคัสเหยียบเบรกแล้วก็รู้สึกตัวไปอสักพักหนึ่งเนี่ยไอภาวนาพุทโธ ท, ที่ตั้งใจไว้แต่แรกมันก็หายไปเองอันนี้เราก็มีสติรู้ตัวไปทีนี้ปัญหาของผมก็คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยสงสัว่าระหว่างเข้าใจกับเข้าสมองนะครับมั น, มนเราเราไม่ได้คิดเาเนาะเวลาจิตมันเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาเนี้ยนะจิตมันเบิก บ, บานนะมันมีความสุขแต่ว่าไม่เกินเจ็ดวันมันเหมือนเข้าสมาธิเหมือนกันนะงั้นเวลาที่เราภานาแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเนี้ยมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจสบาย แต่ถ้าไปเข้าสมองเนี่ยเป็นภาระมากเลยใจมันจะหนักนะมันจะไม่เหมือนกันแล้วแล้วคือต้องมันมันต้องเข้าใจอะ่ะมันต้องทอํายังไงถึงจะเข้าใจเหมือนเข้าของมันเองเข้าของมันเองเราพาใจให้ดูความจริงเรื่อยๆนะก็คือเหมือนว่าผมคิดไปก่อนคิดว่าเข้าใจเอ้ยเข้าสมองก่อนอยากคิดเดยอะอย่างนี้เรียกว่าคิดเดยอะไปแล้ว สงสัยรู้ว่าสงสัยแค่นี้จบแนละ้วนะถ้าสงสัยแล้วก็ค้นคว้าหาคำตอบอันนี้คือปรุงสร้างนะจิตจะปรุงสร้างนะอย่าไปหลงกลมันครับนะงนะั้นเวลาความสงสัยเกิดให้รู้ว่าสงสัยแล้วความสงสัยเกิดแล้วก็จะดับให้เราดูทุกอย่างเกิดแล้วดับที่เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อจะเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับต้องการเห็นแค่นี้เอง เพราะฉะเราเห็นนย่างเมื่อกี้นี้ยใจโฉบแวบไปคิดรู้สึกไหมครับอก็แค่รู้ทันนะไม่ต้องนีนี่ถือว่ารู้รู้เพราะเห็นไ<อ>หนมใจอยากพูดเวลาอยากพูดจะมีแรงดันขึ้นตรงกลางหน้าอกเนี่ยครับนะให้รู้ทันว่าใจมีตัณหาขึละใจมีความอยากแล้วนะนี่ยหันรู้สภาวะอย่างนี้เรื่อยๆไปดูก็อยากของจริงนะอย่าคิดเอานะไม่ต้องคิดไม่ต้องตั้งคําถาม แต่ดูสภาวะที่กำลังปรากฏอย่างใจอยากพูดว่าอยากพูดเราเห็นแล้ยมันอยากพูดได้เองมันถุดขึ้นมาเองแล้วมันก็ดับไปสภาวะเท่าไหร่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นต้องการเห็นเท่านี้เองความรู้ความฉลาดความแตกฉานในธรรมะอะไรเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยมันมีประโยชน์ตอนเอาไว้ไปสอนคนอื่นทีหลังแต่ในขั้นของการปฏิบัติแล้วสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ตรวนี้มีประโยชน์คือต้องเห็นไปก่อนใช่ไหมครับเห็นไปเรื่อยเห็นกับรู้นี่มันคนละตัวกันใช่มครับภาษาที่ถูกคือคําว่าเห็นนะนี่บางทีครูบาอาจารย์ให้รู้ให้รู้อะไรอย่างนี้ที่จริงคือเห็นวิปัสนาเนะ่มาจากคาว่าวิกับคําว่าปัตสนะปัตสนะแปลว่าการเห็นตัวนอนหนูตัวท้ายเนี่ยแปลว่าการวิปัสสนะก็คือการเห็นแจ้ง การเห็นถูกต้องคือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองงั้นถ้าเปวิปัสสนาเนี่ยแล้วเราไม่เห็นแจ้งนะไม่ใช่เราไม่เห็นไตรลักษนณะ์ไม่ใช่งั้นวิปัสสนาจริงๆเป็นการเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจงั้นตัวจิตผู้รู้ที่เราเรียกผู้รู้ผู้รู้เนี่ยเราเคยชินที่จะเรียกผู้รู้ที่จริงคือผู้เห็นพอดีผม เึ่งพาพ่อมาฟังครั้งแรกด้วยครับฝักผลวพ่อช่วยแนะนาไหนหลัก พ, พ่ออยู่ไหนพ่อพ่ อ, อยังยตื่นเต้นเล่เพ่งอยู่นะบอกให้พ่อคอรู้สภาวะไปอย่างตอนนี้ต็มเต้นแล้บังคับอยู่เพ่งอยู่ก็คอยรู้เอาเบอร์หกสิบสามอยู่ไหนเอ่ย หลวงพ่อครับขอเวลานอกแป๊บแมวคนที่นั่งกับแมวใจลอยไปแล้วเอาว่าไปส่งกันบ้านในรอบสองปีครับก็ขอหลวงพ่อเห็นหน้าก่อนอนี้หลวงพ่อดูลำบาทกทะลุคนเยอะก็คือ<ะ>ที่ปฏิบัติมาเช้าเย็นนี่คือปีนี้รู้สึกว่าจากความอยากมันเยอะครับช่วงที่ผุ่งหนัหนกๆก็คืออยากส่งกันบ้านช่วงที่หลวงพ่อปวด ตอนนี้เรามาขอคาแนะนําแล้วก็ขอกันบ้านปฏิบัติเพิ okay. ่มครับเราค่อยรู้ทันใจของเรานะอยใจเราไปยึดไปถืออะไรนะบางทีก็ยึดความคิดความเห็นได้นะไม่ได้ไปยึดสิ่งของก็ได้ยึดนํา ม, มาทําก็ได้ยึดความเห็นยึดความคิดอะไรเงี้ยะหรือใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายตามรู้ไปการภานามไม่มีอะไรมากหรอกคอยรู้สึก ตามเห็นตามเห็นไปเลยตามเห็นกายตามเห็นใจอย่างตอนนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดก็รู้ไม่ห้ามไม่มีคําว่าห้ามไม่มีคําว่าต้องมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสังเกตไหมใจนี้ไปคิดได้เป็นระยะระยะถ้าดูตรงนี้ไม่ออกดูกายเห็นไหมร่างกายยืนอยู่แตนรู้สึกร่างกายยืนอยู่ก็รู้สึก ร่างกายพูดก็รู้สึกร่างกายทำอะไรก็คอยรู้สึกแค่นี้ก็ใช้ได้ของคุณดูกายสบายกว่าดูจิตนะงั้นดูกายไปครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ที่พ้นทุกข์ไปท่านดูกายดูกายมาก่อนแล้วเรารู้สึกกายไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายกินข้าวร่างกายขับถ่ายร่างกายอาบน้ำรู้สึกไปเรื่อยๆดูร่างกายมันทางานไปสามสิบสี่ ขอบคุณครับสามสิบสี่ใจลอยไหมใจหนีไปพอดีเฮ้ยมาสบตาหลวงพ่อนะ่ะมันสยองขึ้นเล็กน้อยก <c oughs> ับมรดกของพ่อครับ <c oughs> ผมฝึกในแนวทางพ่อประมาณสองปีกว่าแล้วครับ <c oughs> อืมรู้สึกว่าตัวเองเนี ความถูกปีกส่วนหนึ่งร่างกายกส่วนหนึ่งแล้วก็จิตใจส่วนหนึ่งครับเอาอย่างนั้นแหละกับแ้วกจิตอีกส่วนหนึ่งครับในติดปัญหาจริงๆผมนี่มันสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาเลยจังยังสงสัยอยู่ฮนะสงสัยในเรื่องของจิตผมนะที่ทําในรูปแบบอยู่นะครับพอจิตไหลมันดับปึ๊บปึ๊บประมาณสามครั้งนะทําให้ผมจิตใจในโลกโปร่งเบาสบายอย่างเงี้ยมันเกิดจากสมถะหรืออะไรครับใช่เคิดดูสิ เมื่อกลับมาอยู่ในชีวิตธรรมดาแล้วเนี่ยเรายังมีความรู้สึกไหมว่าจิตเป็นตัวเรามันคนละตัวนีครับมันมีความเป็นเราไหมมีครับมีครับถ้ายังมีความเป็นเรายังไม่ขาดนะมันยังมีรู้สึกเป็นเราอยู่เนี่ยสังเกตที่กิเลสนี่นแหละคือสักยะทิฏฐิมันยังไม่ขาดมันก็ยังมีกระทั่งมีเงาเง า, เงาของความรู้สึกเป็นเราซ่อนอยู่ในขันห่านะ แม้ในขันใดขันหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ค่อยดูไปอีกของคุณมีปัญหา น, นิดเดียวปัญญามันเยอะไปปัญญามันล้ํารู้สึกไหมว่าเราไบรท์ครับใช่ครับเออนั่นแหละปัญญามันล้ําแปจิตเป็นตามไม่ทัน <c oughs> เออสามสิบแปด อันนี้ใหญ่ดีถูกใจนะอยู่ลานหลวงปู่ก็มองเห็นนะกราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะฟังซีดีพระอาจารย์รู้สึกเ่าว่าจิตเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันใช่ค่ะนึกสงสัยตรงไหนก็ฟังซีดีดีมากเลยเพราะว่าได้ นอกจากจะพระอาจารย์สอนแล้วก็ยังมีคนถามซึ่งมันก็คือปัญหาที่เรามีค่ะใช่ใช่แล้วก็แต่ก่อนเนี้ยปฏิบัติแบบสมถะมาหลายรูปแบบมากมก็ไม่เคยสำเร็จเพราะตัวเองคนฟุ้งมากอมพอมาทางนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ตอนนี้นนค่ะค่ะตอนนี้ ก็คือฟังตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอนน่ยนะคะเปิดแล้วก็หลับไปเลยรู้สึกเอ้มันบาปไหมเนี่ยเพราะว่าฟังฟังไปจนทั้งตัวเองหลับแล้วก็เหมือนกับเราก็<ม>อยากฟังแต่ว่าไม่บาปอ่ะนะไม่บาปใช่เราถือว่าเราเปิดให้เทวดาฟังอ๋อค่ะได้บุญอีก <laughs> <laughs> อยู่ที่การวางใจแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าให้นึกถึงสิ่งที่ดีดๆแล้วทําให้เราปิติให้ให้เราแบบ จิตเป็นสุขเนี่ยอืก็เลยรู้สึกชอบมากว่าเคยเคยเคยได้ยินมาว่าบอกก็สอนว่าให้เราเนี่ยหมันน่นได้ถึงบุญต่างๆที่เราทําแล้วเราติเต้นี้มันจะได้บุญอืแต่คราวนี้สงสัยนิดนึงว่าถ้าเราเดี๋ยวก็คิดทํานั่นทนี่ทํานี้มันจะกลายเป็นฟุ้งไหมคะหม่รู้ว่ า, ถ, าถ้าคิดแล้วไม่มีสติตามรู้ก็ฟุง้งถ้าคิดแล้วมีสติตามรู้นะจิตก็ขึ้นวิถี ของกุศลอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนเราทำกุศลอีกรอบหนึ่งพอพอคิดปุ๊บจิตเรามันปิติแล้วเรายินดีเบิกบานนี่ก็คือบุญก็เกิดแล้วเราก็ได้เห็นในปิติของเราด้วยใช่ใ ช, ใช่ไหมคะใช่ทำได้ข่อสามสิบสอง การามัสการหลวงพ่อครับผมมาจากโคราศครับอืแต่ผมไม่ได้ส่ ง, สงการบ้านของหลวงพ่อหลายปีเลยครับประมาณสี่ปีได้อืมที่หลวงพ่อบอกครั้งสุดท้ายบอกว่าตั่งสมาธิไม่ได้ขอห้อยเดินจงผมเอาแต่ผมทำอยู่อยู่พักหนึ่งครับทุกวันในการปฏิบัติคือตอนเช้าแล้วก็ทำวัดเช้าตอนเย็นทําวัดเย็นออื่ออหลังจากทำวัดเช้าวัดเย็นเสร็จแล้วจะ นั่งสมาธิประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีทุกวันมีแค่นี้ครับมที่จิตใจตอนนี้ก็ดีกว่าแต่ก่อนแนละ้วดูออกไหมครับผมนะภานาไปเรื่อยๆนะใจเราก็ยิ่งสะอาดยิ่งสว่างยิ่งเบาสบายขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลากิเลสอะไรแทรกเข้ามาเราค่อยรู้เอากนะิเลสมันยังมาได้เนี่ยงมันก็มานะแล้วพอมันไปแล้วใจเราก็สบายแล้วก็รู้ไป เดี๋ยวมันมาอีกเราก็รู้หญิงค่อยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆหรือถ้าดูใจไม่มีอะไรใจว่างๆก็เห็นร่างกายเราไปร่างกายเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วไม่หนุ่มอย่างแต่ก่อนลนะค่อยๆดูไปใจค่อยคลายความยึดถือออกไปคนโคราชมาเรียนถึงนี้เมื่อก่อนลวงพ่อไปเรียนที่โคราชทุกเดือนเลย ไปหาหลวง พ, พุทธวัดป่าสารวัตรเมื่อสามสิบหกลวง พ, พุทธภาวนาเก่งนะแต่ว่าเมื่อสามสิบปีก่อนอะไรเนี้ยคนไม่เข้าใจท่านและท่านสอนไม่เหมือนครูบาอาจารย์วัดป่าอื่นๆท่านชอบพูดว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอ่างเงี้ยฟังแล้วไม่มีศักด์ีเลยดูไม่เป็นกรรมฐานเลยที่แท้ยอดกรรมฐานเย การน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะคือเมื่อครั้งก่อนที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ให้เอารูปเป็นกรรมฐานค่ะแล้วก็เลยก็เลยพยายามดูสภาวะโอ้โหคือตั้งแต่พอพอตั้งมั่นว่าจะเอารูปเป็นกรรมฐานเนี่ยนะคะคือลูกก็แบบดื้ออัศจรรย์เลยค่ะแล้วก็แบบ ช, ช่วยแล้วเอ้วทีนี้เนี่ยถ้าพอบางวันเนี่ยที่รู้สึกว่าผ่านอะ่ะหมายถึงว่าเราตามดูสภาวะที่กระทบกับลูกผ่านมันก็ไม่พอรู้สึกแบบทึกเถิ่อมากๆค่ะแต่พอวันไหนที่มันไม่ผ่านมันก็แบบเหมือนแทบจะเหมือนปกดดันตัวเองมากๆจนแบบแบบการภา น, <ะ>นาเนี่ยนะหลงตามมหาบัวสอนนะเจริญแล้วก็เสื่อมครูบาอาจารย์หลายองค์ก็สอนเนี่ยอาจารย์สิงห์ทองก็เคยสอนกรรมฐ า, านไม่มีเจริญแล้วก็เสื่อมทั้งๆ ท, ที่เราทําเหมือนเดิมทุกวันนะ แต่ผลออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันสักวันรู้สึกไหมบางวันเราก็เลี้ยงลูกของเราปกตินี่แหละบางวันจิตใจก็ปลอดโปรงรู้เท่าทันบางวันก็มืดตื้อเลยตัวอะไรไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะแล้วถ้ามันดีทุกวันแล้วก็เราจะหลงผิดว่ากูเก่งกูเก่งแต่อย่างนี้เราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยรู้สึกไหมใช่ค่ะที่เราภานาแทบเป็นแทบตายเพื่อจะให้เห็นตรงนี้แหละ ในใจเราเนี่จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริง mm. เพราะฉะนั้นเราไปดูอีกนะเราบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาหรือได้โสดาขึ้นมาเอาทองแปะลูกเลยนะ <c oughs> <c oughs> กรรมฐานชั้นดีงั้นก็ยังยังใช้ลูกเป็นกรรมฐาน <c oughs> ใช่ใช่เพราะเราเลี้ยงลูกอยู่ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ อ, อันนี้หลวงพ่อช่วยลูกในทางอ้อมด้วยนะอช่วยทั้งแม่ทั้งลูกเลยกรรมฐานนั่นเนี้ยคือตอนแรกจะเรียนหลวงพ่อว่า เมื่อคราวก่อนที่บอกว่าปฏิบัติแล้วก็มาส่งหลวงพ่อค่ะมัน ม, มันพัฒนากว่าตอนนู้นที่ก่อนที่จะหายไปเลยแต่พอองค์พ่อให้เปลี่ยนมาเป็นรูปเป็นกรรมฐานนะคือมันเห็นถึงความเสือ่อมของความเจริญในตัวเองแบบสุดๆไปเลยะ่ะคะนั่นแหละปัญญาค่ะ <c oughs> นั่นแหละคือการเจริญปัญญา <c oughs> เห็นไหมว่าไม่เที่ยง <c oughs> เห็นไหมบังคับไม่ได้นี่แหละอ น, นิจจังอนัตตาที่จิตล่ะเพราะงันเป็เลี้ยงลูกต่อ แต่ไม่ต้องมีเยอะนะหลายคนนัดูกรรมฐานยากยี่สิบห้าเดี๋ยวได้ใจเลี้ยลูกเราดีต้องมีเยอะเลยยี่สิบห้านะอยู่ไหนเอ่ยอว่าไปไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาครึ่งปีแล้วะอะค่ะก็สองปีครึ่งที่ผ่านมา น, นี้หนูก็ยังทำในรูปแบบทุกวันเหมือนเดิมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็มีความเข้าใจที่เปลี่ยนไปแต่ละช่วง โรคมันก็ห่างออกไปนะทกมันก็เบาลงช่วงนี้มันมีความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนกับบางทีมันอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ไม่เหมือนไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเราแค่รู้สึกว่าความรู้สึกทุกชนิดนะที่เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปต้องการเห็นแค่นี้เองไม่ต้องการความฉลาดรอบรู้อธิบายอะไรเยอะแยะหรอกแต่คือที่ที่ที่ภาวนาอยู่ก็ยังอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมคโยโย ก็เห็นได้ว่าตัวเองยังต้องมีสิ่งที่ต้องพัฒนาขึ้นอีกมากแล้วค่ะก็วันนี้อยากขอคําแนะนำหลวงพ่อเพิ่มเติมเพื่อการกำลังของจิตยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะจิตยังไม่ค่อยมีแรงค่ะฉะนทํากรรมฐานอย่างเช่นหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกทําบ้างจิตจะได้แข็งแรงขึ้นค่ะนะขอบคุณค่ะหลวงพ่อเพรานจิตจะไม่มีแรงค่ะสมถะทําทให้จิตมีแรงเัวสามสิบ อยู่ไหนเ อ, อ่ยคนสุดท้ายแล้วสังเกตไหมพอหลวงพ่อบอกว่าคนสุดท้ายแล้วดีใจรู้สึกไหม <c oughs> แตท่ทั้งทั้งที่เมื่อเช้าอยากมาฟังทรรู้สึกไหม <c oughs> พวกกลับกรอกจริงๆแล้วสมองของเราเนี่ยนะรับข้อมูลต่อเนื่องได้สี่สิบห้านาทีเท่านะรับสอง้วแต่เก้าโมงนะงั้นสุดขีดของเรานะีคือเก้าโมงสี่สิบห้า นะหลังจากนั้นเนี่ยใจมันจะไม่ไหวแล้วถ้ายื้อมากกว่านี้โทษาจะขึ้นอว่าไปคนสุดท้ายกลับในราชการหลวงพ่อค่ะคือหนูจะคอยสังเกตความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาว่าเออคือมันรู้สึกเออ เหมือนวันนี้รู้สึกอึด อ, อืมวันนี้เศร้าวันนี้ อ, อะไรไปเรื่อยๆไงค่ะดีทีนี้แต่ส่วนมากมันมักจะเป็นความรู้สึกทุกข์ในแบบต่างๆมันไม่ค่อยจะมีความรู้สึกดีๆเท่าไห ร, ร่อ่ะค่ะจะไมนะ่ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกทุกข์แบบต่างๆแล้วไม่รู้สึกอะไรนะคือคือหนูจะรู้สึกว่าวันนี้มันจะมาสไตล์แบบอาจจะเศร้าๆเดี๋ยวพออีกวันนึง มันก็เปลี่ยนเป็นถออัดหัดกรรมฐานอะร้ค่ะวันแรกแรกช่วงแรกแรกอ่เราจะดูว่าแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันต่อไปเราดูได้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเห็นถึงตรงนี้หรือยังค่ะ<า>เออถ้าดูถึงตรงนี้ได้แล้วต่อไปเราดูแต่ละขณาความรู้สึกก็ไม่เหมือนกัน ขณะที่มองเห็นรูปอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้ขณะที่ได้ยินอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนตลอดเวลามันจะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะอย่างทีแรกเราเห็นว่าแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันอันนี้หยาบมากเลยแต่ดีกว่าแต่ละปีความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันต่มาวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นข้ามดึกเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนี่ละเอียดขึ้นแล้ว ต่อมาเราพบว่าแต่ละขณะขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสขณะที่คิดเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเก่งละค่อยๆฝึกแปลปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเราไม่ได้ฝึกเพิ่มให้มันคงที่นะอย่าไปเข้าใจผิดว่าจะฝึกให้จิตคงที่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่ได้ฝึกให้เห็นว่าคงที่เพราะงั้นชาวสายบายเย็นไม่เหมือนกันเนี่ยถูกแล้วไม่ต้องไปทำให้เหมือนกันหลวงพ่อคาโล้วคือหนูรู้สึกว่าดี๋ยวนี้เหมือนเวลาที่ความสุขในการกิน ม, มันม น, น้อยลงลยแล้วก็เที่ยวมันก็ไม่ไม่ค่อยสนุก ดูทีวีฟังเพลงก็ไม่ค่อยสนุกใช่มันรู้สึกว่าโลกนี้มีความสุขโลกนี้สนุกสำหรับคนหลงเท่านั้นแหละคนไม่หลงนะโลกนี้ไม่ได้มีอะไรน่ารับเท่าไหร่ในที่สุดจิตจะคลายออกจากโลกนะแลจิตจะไปสัมผัสสิ่งที่มีความสุขอันมหาศาลแทนสัมผัสธรรมะแต่หนูว่าหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างจะทุกข์เยอะมัน ความสุขที่เคยเคยมีวันเบาบางความสุขของคนหลงไงถ้าไม่หลงไม่สุขกับโลกนี้ไม่ได้มีความสุขนะที่พระเจ้าบอกว่าโลกนี้เป็นทุกข์รูปนามนี้เป็นตัวทุกข์โลกนี้เป็นตัวทุกข์ที่จริงเป็นตัวทุกข์แต่คนหลงไปเห็นของที่เป็นทุกข์ว่ามีความสุขเรามาเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยเราได้เห็นความจริง โลกนี้มีแต่ความทุกข์พอเห็นแล้วใจจะค่อยเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นแล้วเราจะมีความสุขจากการหลุดพ้นเป็นความสุขที่เทียบกันไม่ติดเลยความสุขจากโลกโลกความสุขจากการกินของอร่อยอะไรเนี่ยกระจอกเล็กทีเดียวไม่ได้เรื่องหลวงพ่อคะหนูเคยได้ยินหลวงพ่อเทศว่าเวลาที่มันเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะเบื่อบแบบช่างชื่น ตะหนู<ช>เบือแบบเซ็งเงไม่ใช่แล้วก็สังกระตายอะค่ะหนูจะมาผิดแล้วล่ะหนูพอน่อแบบนิพิทาเนี่ยน ะ, ะคือมันเบื่อสุกกระทุกเท่าๆกันนะ mm hmm. เบื่อดีเบื่อชั่วเหมือนๆกันหมดเลยเบื่อทุกอย่างไม่ใช่เบื่ออันนี้แล้วจะเอาอีกอันหนึ่งนะถ้าเบื่ออันนี้แล้วจะเอาอีกอันหนึ่งยังมีอะไรที่ไฝ่ฝันจะเอานะไม่ไม่เรียกว่านิพิทาจริง เบือตัวนั้นเป็นโทสะหนูก็คิดว่าหนูภาวนาผิดหรือเปล่า ม, ม, มันเป็นเบือเซ็งเงเออภาวนาถูกโลกนี้เซ็งหนอโลกเนี้ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตรราชรถทรงของพระราชาอย่าตอนนี้กำลังซ่อมราชรถทรงอยู่ใช่ไหมสวยไหมวิจิตรงดงาม โลกนี้นะดูวิจิตรงดงามดูดีดูมีความสุขดูวิเศษวิโสอันนั้นสำหรับคนหลงนะแ้่บอกจงดูโลกอันวิจิตรเหมือนราชรดทรงของพระราชาซึ่งคนเข่าเนี่ยพากันยึดติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดข้องผู้รู้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สุขจริงหรอกมันหลอกหลอกสุขที่มันไม่เต็มอิ่ม งันใจมันจะค่อยคลายออกคลายออกนะเดี๋ยวไปหาธรรมะแทนภาวนาใช้ได้ดีคือหนูรู้สึกว่าช่วงนี้กว่าหนูจะพาใจของหนูผ่านไปในแต่ละวนนันมันยากอะค่ะเคล็ดรับให้อันหนึ่งหนูไปดูโทสะไว้โทสามันแท้ค่ ะ, <น>ะเยอะเลยค่ะเออนั่นแหละไปดูตัวนี้ไว้นะเราะต่อไปนี้ทั้งวันเลยโทสะขึ้นเมื่อไหร่ให้รู้โทสะขึ้นเมื่อไหร่ให้รู้ เอาตัวนี้เลยเอ้าหมดแล้วเชิญกลับบ้านคระาอาคารตุกาะมีอะไรจะคุยกับผมไหมถ้าไม่มีจะขอผ่านฮนะรมีงานเยอะมี